กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูณาปีปุโนโนานๆจะมาพบกับท่านบุฟังสักครั้งหนึ่งเพราะว่าอะไรพระคําสอนของพระพุทธเจ้านี่นานๆนานๆถึงจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งไอ้ที่เรามาพบกันทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงต่อให้จากนี้ไปจนข้าพเจ้ายุลายยี่สิปี เานไปอีก81ปีก็ยังถือว่าแบบเดียวเพราะว่านานกว่านั้นอีกมากนะักที่จะมีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่ารอนานมาเท่าไหร่แล้วนะถึงจะได้ฟังธรรมะที่เป็นคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าช่วงนี้มันมีมาประมาณ 2,000 กว่าปีแล้วจากนี้ไปอีกไม่รู้กี่ปีถ้ามันหายไปเมื่อไหร่ก็รอกันอีกนานมากนานขนาดนี้นะเราต้องทาให้ สมกันกับที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะมากก็ตามน้อยก็ตามสั้นก็ตามยาวก็ตามเพื่อให้ได้รู้ให้เข้าใจถึงแก่นคำสอนที่แท้จริงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนอย่างไรทำอย่างไรถ้าเรามีความเห็นที่ยังไม่ถูกต้องก็ปรับแก้ไขให้มันดีให้มันถูกเพราะช่วงนี้เปรียบเหมือนช่วงที่ยังเป็นโปรโมชั่นอยู่และเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้ควนขวาย เปิดโอกาสให้ชกช่วยในสิ่งที่เป็นธรรมะที่จะทำให้เราถึงความสบายใจความเย็นใจความเบาใจให้เข้าถึงแก่นของธรรมะให้ได้ท่านบุฟังศาตรธรรมปฏิรูปมีเยอะแยะสมัยนี้ท่านบุฟังเนื้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงดัดแปลงแก้ไข ย, ยัดไส้ในแต่งข้างนอกใหม่แลกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งใหม่ขึ้นมาแต่ทำให้แก่นคำสอนที่แท้จริงเนี่ยมันปฏิรูปเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ไม่ดีไป เราก็ต้องกลับมาถึงแก่นคําสอนนี้ได้ซึ่งการที่จะมาเข้าหาแก่นคําสอนนี้ได้การฟังธรรมช่วยได้ทา่านผู้ฟังฟังธรรมแล้วเราใคร่ครวญให้ดีด้วยนะฟังธรรมด้วยอันนี้ส่วนหนึ่งการโฆษณาชักชวนของบุคคลภายนอกอฟังไว้พิจารณาดูให้ดีส่วนที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการที่เราต้องทําในใจโดยยับยายพิจารณาดูให้เห็นให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราได้ฟังได้ยินนั้น แมันมีหลักฐานที่มาอย่างไรนี่ก็ส่วนหนึ่งมีความเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่อย่างไรนี่ก็ส่วนที่2แต่พิจารณาใกล้ค ร, รวนนี้แล้วส่วนที่3มก็สําคัญไม่แพ้ ก, กันจำ่วงคือการที่ได้เอาธรรมะนั้นมาใช้ในการที่จะละเจ้าความยึดถืออันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เอามาใช้ในการละความยึดถือเพียงแต่ฟังมาคิดใกล้ค ร, รวนตามเ อ, อิญนี้มันสมเหตุสมผลดีนะเขาฟังดูเข้าท่าดี แต่ความยึดถือเต็มเปี่ยมอย่างเงี้มันก็ไม่ได้ใช้ให้ถูกต้องประโยชน์ถึงธรรมะนั้นกลายเป็นงูผิดไปเราจรึงจะต้องมาไคร้ครวนธรรมะให้มีความเข้าถึงเข้าใจให้ดีให้ได้นะมาพิสูจน์กันมาทําให้เห็นแจ้งกันการพิสูจน์ทําให้เห็นแจ้งนั้นก็ต้องฉลาดนิดหนึ่งมีปัญญาหนึ่งเช่นตัวอย่างการค้นหาพิจรารณาขวนขวายไคร้ครวนจากที่ไม่ถูกต้องเปลี่ยนมาเป็นที่ถูกต้องนี้ ก็มีเรื่องของพระเจ้าปายาสีที่เราได้มาให้ท่านผู้ฟังฟังกันอยู่แต่คือเมื่อ <uf> วานนี้ครับพระเจ้าได้เล่าถึงเรื่องของพระเจ้ปญญาปายาสีที่ได้ฟังธรรมจากท่านพระกุมารกัสสะปะ tak, ซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่ยาวและจึงจะนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังกันฟังสมตอนเมื่อวานนั้นเป็นตอนแรกพูดเท้าความถึงเรื่องราวของความเป็นมาของพระเจ้ญญาปายาสีและก็ท่านพระกุมารกัสสะปะว่าทนนั้นบรรลุธรรมได้อย่างไร เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้ายกย่องในความที่สามารถแสดงธรรมได้วิจิตพิสดารพระเจ้าปายาสีนี้ก็เป็นลูกน้องของพระเจ้าประเปรตที่โกศลแต่อยู่ในตําแหน่งพระราชาเหมือนกันแต่เป็นพระราชาที่ดูแลหัวเมืองเมืองที่ชื่อว่าเสตปพญะเนนครแต่ทั้งสองท่านนี้ก็ได้มีโอกาสพบกันแต่พระเจ้าปายาสีได้มีความเห็นที่ไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นที่ว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้น ว่าจะเป็นเทวดาหรือว่าสัตว์นรกพวกนี้ไม่มีผลแห่งสัตว์ที่ทํากรรมดีกรรมชั่วน่ยไม่มีมีความเห็นไหวอย่างนี้ส่วนท่านพระกุมารกัศปะนั้นก็มีอยู่ในสมัยหนึ่งที่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่เมืองเซตปญานนครซึ่งพระชจ้าปัญญาสีนี้เป็นคนดูแลเป็นเจ้าเมืองนั่นคือเรื่องราวในตอนที่แล้วที่ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังซึ่งวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องจังหวะที่ทั้งสองท่านนี้ได้พบกันแล้วก็พูดจารับวาทากันละทีนี แเมื่อท่านพระกุมารกัสปะได้เดินทางไปที่เมืองเศรฐาพญานครแล้วมีคนทราบข่าวเขาก็เล่าลือกันละ่ะว่าโอ้ท่านพระกุมารกาัสปาม่าเป็นสาวกของพระสมณโคดมผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากเป็นพระอรหันต์น่าจะไปพบท่านแลชาวบ้านในเมืองเสรฐาพญานครนั้นก็แห่กันไปเพื่อที่จะไปพบท่านพระกุมารกัสปะทีนี้ท่านพระเจ้าบัญญัตินี้อยู่บนประราสาทชั้นบน อมองเห็นเราระสงมนิกรประชาชนพรามก็แถบดีต่างๆเอ๊ะไปไหนกันไปทางตอนเหนือที่ป่าสีสป่าของเสตปัพญานครนั้นแล้วก็พอทราบข้อมูลมาจะไปหาท่านพระ ก, กุมารกส ป, ปะก็เลยสั่งลูกน้องมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งให้พวกประชาชนนะไปพบพระรูปนี้เพราะว่าประชาชนนี้อาจจะไม่ทันเกมของพระรูปนี้พระรูปนี้แสดงทำะอะไงต่างแล้วเดี๋ยวจะมาเห็นว่าโลกอื่นมี นะบุญมีบาปมีผลแห่งสัตว์ทําดีทําชั่วไม่มีไม่ได้เพนะราะว่าจริงๆแล้วบุญไม่มีบาปไม่มีผลกคำดีคำชั่วไม่มีในะโลกอื่นไม่มีตัวเองมีความคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะมีความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปจากความเห็นที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องแล้วก็เลยห้ามเขาไปก่อนแล้วก็ให้ไปพร้อมกันแตนะ่ต้ฟังลองคิดดูนะคิดถึงขนาดนี้นะนะว่าไม่อยากให้ประชาชนของตัวเองไปพบพระรูปนี้โดยปราศจากตนนเะพราะกลัวว่าประชาชนของตัวเองนั้น จะกลายเป็นมีความเห็นผิดไปแต่ซึ่งไอ้ที่ตัวเองคิดว่าเห็นผิดเนี่ยมันคือเห็นถูกไอ้ที่ตัวเองเห็นผิดอยู่เนี่ยคิดว่าตัวเองเห็นถูกก็ไปบอกให้เขารอก่อนเพื่อที่ตัวเองจะได้ไปด้วยเพื่อไดข่มขี่ปรับวาท่ากันให้มันรู้ล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดกันแน่พอได้ไปพบกันแล้วแล้วก็ปุจธาปราศัยปอเป็นที่คุ้นเคยกันก็เริ่มโต้วาท่ากันล้วทีนี้แต่ท่านพระเจ้าบัญาสีก็พูดขึ้นก่อนเลยว่าเนี่ยครับพระเจ้ามีที่ถีมีความเห็นอย่างนี้ เนื่ว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นไม่มีวิบากแห่งสัตว์ที่ทํากรรมดีกรรมชั่วไม่มีอธิบายเรื่องทิฏฐิตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังทราบสักนิดหนึ่งนั่นก็คือลักษณะคนที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เทวดาหรือว่าตายไปแล้วถ้าทําชั่วก็ไปไม่ดีถ้าทําดีก็ไปสวรรค์แต่ไม่ได้เชื่อถึงความที่มีสัตว์นรกมีเทวดามีเปรตอสุรกายพวกนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าตายแล้วจะต้องไปเกิดดี นั่คือก็จบไปเท่านั้นนี่คือลักษณะความเชื่อของประชาชนปายาสีซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิละแต่ตัวเองคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็กลัวลูกน้องชาวบ้านประชาชนของตัวเองไปมีความเห็นแบบอื่นด้วยแล้วก็เลยมาเพื่อที่จะโตวาทะไม่ให้เห็นผิดพลาดไปจากที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องนะพอพูอย่างนี้แล้วท่านพระกุมารกษตรปะแต่ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามากท่านผู้ฟังถามมาอย่างนี้พูดมาอย่างนี้แล้วก็ยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยในเรื่องของราย ก็คือเรื่องของพระจันทร์พระอาทิตย์คุณเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอยู่ทุกวันในคืนที่เป็นคืนเดือนงายคุณก็เห็นพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ตกอยู่ทุกวันเห็นพระจันทร์อยู่อย่างนี้แล้วเราบอกว่าโลกอื่นไม่มีได้ไงแล้วผู้ที่จะมาควบคุมดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ให้มันเดินในทางเป็นไปตามระบบระเบียบของมันเนี่ยก็เป <c oughs> ็นเทวดาผู้ที่ทําการควบคุมตรงนี้ซึ่งในสมัยนั้นเขาก็เชื่อกันอย่างนี้นะในลัทธิพราหมณ์ <c oughs> เขาก็อธิบายเรื่องนี้เอาไว้ ว่าก็จะมีเทพที่คอยดูแลพระจันทร์และก็พระอาทิตย์อยู่แต่ซึ่งพระเจ้าไบยาสีนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ในข้อที่หนึ่งนี้นนเพราะว่าใช่ดวงจันทร์ก็เป็นโลกอื่นไม่ใช่โลกของเราใบนี้ดวงอาทิตย์ก็เป็นโลกอื่นก็ไม่ใช่โลกของเราใบนี้เราจะมาบอกว่าโลกอื่นไม่มีมันไม่ได้แต่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ผู้ที่ดูแลนั้นก็เป็นเทวดาแต่จะบอกว่าเทวดาไม่มีไม่ได้แต่พระเจ้าไบยาสีนั้นก็ยังไม่เชื่อทาไมถึงยังไม่เชื่อ คือพระเจ้าปั ญ, ญาีเนี่ยท่านก็ไม่ใช่เป็นคนโง่นะท่านผู้ฟังถ้าเราพูดกันจริ ง, รงๆแล้วท่านก็ไม่ได้เป็นคนโง่หรอกเพราะว่าท่านต้องการหาความจริงแต่ท่านก็เลยพยายามที่จะทดสอบทดสอบตรวจสอบสิ่งที่คุณหนึ่งเขาสอนมาว่าโลกหน้ามีใช่ไหมคนที่ทําดีทําชั่วเนี่ยมีมีเสร็จแล้วตายไปทําชั่วก็ต้องไปตกนรกทําดีก็ต้องไปขึ้นสวรรค์แต่ถ้าสัตว์ผุดเกิดขึ้นมีจริงเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นทําไมเราถึงไม่สามารถรับรู้ได้แต่ก็พยายามจะตรวจสอบตรงนี้ เพื่อจะไปถึงความเชื่อที่ถูกต้องตรงนั้นให้ได้วิธีการตรวจสอบของพระชาไปยาสีเนี่ยก็เริ่มจากการที่ทดสอบในหมู่ญาติของตัวเองก่อนนั่นคือมีญาติหรือว่ามีเพื่อนหรือว่าคนที่ตัวเองรู้จักที่เป็นสหายกันเนี่ยที่เป็นผู้ที่ทําชั่วออกไปแต่ทําชั่วนี้ก็ด้วยอกุศลกรรมบท10อย่างไม่ว่าจะเป็นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์กระผือผิดในการแกล้งกล่าวเท็จพูดเพ้อเจอ้อพูดกัมหยาพูดส่อเสียดมีวิชาทิฏฐิเป็นคนพยาบาทเป็นคนเพ่งเลง อากุศลกมาบอกเรื่อนี้ทําหมดทุกอย่างมีเพื่อนของพระเจ้าปายาสิไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นเพื่อนหรือเป็นคุณที่รู้จักกันเนี่ยมีนิสัยแบบนี้มีอยู่แต่บางคนที่เขาเป็นอยแบบนี้เขาป่วยเจ็บไข้เเป็นไข้หนักรู้ละว่าไม่หายแน่นอนก็เลยเขาไปหาญาติคนนี้หาเพื่อนคนนี้แล้วก็ถามเข้าอย่างนี้บอกว่าเออถ้าท่านตายไปเนี่ยแล้วไปเกิดในนรกกาเนิดเ ด, ดราาัจฉานหรือเปรตวิสัยเนี่ยก็ให้กลับมาบอกหน่อยนะ เพราะว่ามีคนที่เขาสอนเขาบอกนี้ว่าคนที่ทําชั่วทําไม่ดีเนี่ยตายไปแล้วจะต้องไปเกิดในนรกกำเนิดราชาญเปิดวิสัยก็ทำเป็นคนที่ทําไม่ดีตายไปแล้วถ้าไปเกิดที่นั่นจริงๆก็ขอให้กลับมาบอกด้วยนะครัพระเจ้าจะเชื่อเลยว่าโลกหน้ามีแต่นคนนั้นเขาก็รับคำว่าเออได้ไดถ้าตายไปไปที่นั่นจริงจะกลับมาบอกแต่ก็ไม่มีใครกลับมาบอกแม้สักคนเดียวและทั้งไม่ส่งคนมาบอกด้วย น, น, นี่คือวิธีการทดลองอันที่หนึ่งของพระเจ้าไบายาสี แตแค่นี้นยังไม่พอเพราะว่าไม่ได้รับคําตอบนี่ไม่ได้มีใครกลับมาบอกแล้วก็ไม่ได้มีคนฝากข้อมูลมาบอกเ้าก็เลยทําการทดลองอีกแบบหนึง่งในพระเจ้าปัญาสีนะก็คือทําการทดลองอีกแบบหนึง่งในลักษณะคู่ตรงกลามเต็มฝั่ะเพื่อต้องการทดสอบว่าโลกอื่นมีไหมโลกหน้ามีไหมทําบาปได้บาปจริงหรือเปล่าไปไม่ดีจริงหรือเปล่าทําบุญได้ดีไปที่ดีจริงหรือไม่ นะในทางตรงข้ามนั้นก็เลยมาดูที่ญาติของตัวเองหรือว่าคนที่รู้จักเป็นมิตรเป็นสายอะไรก็ตามที่เขาเป็นคนที่ทําดีแต่ทําดีในที่นี้ก็คือทํากุศลกรรมบทุทั้ง10อย่างแล้วนะมีวาระที่ผู้นี้เขาป่วยหนะักเป็นไข้ชนิดที่เรียกว่าไม่หายแน่แล้วนะก็เข้าไปหาบุคคลผู้นีนะ้แล้วบอกว่าเออถ้าท่านไปสุคติโลกสวรรค์จริงนะขอให้กลับมาบอกด้วยนะจะเชื่อแน่ใจจะลงใจเลยว่าโลกหน้ามีจริงนะเพราะว่ามีคนที่เขาสอนอย่างนี้อยู่ ถ้าท่านได้ไปที่ดีจริงๆขอให้กลับมาบอกนิดนึงข้าพเจ้าจะได้ลงใจเชื่อมั่นใจด้วยเหมือนกันแต่คนนั้นเขาก็รับคําอ่ะก็รับคําแต่ตายไปแล้วเอ๊ะไม่มีใครกลับมาบอกสักคนเดียวทั้งที่ไม่ส่งทูตมาบอกด้วยแต่ทูตก็ไม่ส่งมาบอกตัวเองก็ไม่กลับมาบอกแล้ว ก, ก็เลยไม่ถึงความแน่ใจว่าเอ๊ะโลกหน้ามีจริงหรือเปล่าสวรรค์มีนรกมีจริงหรือไม่แล้ว ก, ก็ทําการทดลองต่อไปอีกโดยการที่พูดถึงคนที่มีศีล คนที่เป็นญาติเป็นมิตรหรือใครก็ตามที่มีศีลศีลห้าเนี่ยแหละนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่แกล้งกล่าวเท็จแล้วก็ไม่ดื่มสุรามีไรนั่นเป็นที่ตั้งความประมาทคนที่มีศีลมีกัละยาณธรรมอย่างนี้ตายไปนี่จะต้องไปเป็นสหายอยู่ร่วมกันกับเราเทวดานในชั้นดาวดึงมีคนเขาสอนอย่างนี้แล้วก็มีญาติของตัวเองคนหนึ่งที่เป็นลักษณะนี้เหมือนกันรักษาศีลรักษาศีลแล้วปรากฏญาติคนนี้เขาป่วย ยายคนนี้เขาป่วยชนิดที่เรียกว่ารู้แน่ว่าไม่หายแล้วก็เข้าไปหาญาติคนนี้แหละแล้วก็บอกเขาว่าเออถ้าท่านตายไปได้ไปดาวดึงจิงเนี่ยขอให้กลับมาบอกด้วยว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นเป็นอย่างไรแล้วขอให้กลับมาบอกทีจะได้มีความเชื่อความลงใจแน่แล้วว่ า, วาชาติหน้ามันมีจริงและสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนาบาบมีบุญมีไว้อย่างนั้นแต่เขาก็ไม่กลับมาบอกเลยนี่เป็นการทดลองอย่างที่สาม นะ้ที่พระเจ้าปัญาสิทธิสำคัญทดลองสังเกตดูแล้วก็ไม่มีใครกลับมาบอกทําไงก็เลยไม่ลงใจไม่เชื่อใจแลนะถึงความเคลือบแคลงเห็นแยงในข้อนี้แล้วก็มาสังเกตพฤติกรรมของเหล่าพวกคนที่บอกที่สอนนะพวกสมณะพราหมณ์คนที่บอกว่าออบาปมีบุญมีนะแล้วนะพวกนี้ก็ปฏิบัติ ด, ดีนะปฏิบัติชอบนะถ้าตัวเองบอกว่าบาปมีบุญมีดีมีชั่วมีตัวเองทําดีแล้วต้องไปสวรรค์ไปที่ที่ดีแน่ แล้วทำไมไม่ฆ่าตัวตายกินยาพิษบ้างใช้อาวุธบ้างผูกคอตายบ้างหรือโดดลงไปในเหวให้ตายไปตายตายไปซะนจะได้ไปขึ้นสวรรค์ที่ตัวเองบอกว่าดีๆแล้วมีเนี่ยไอ้ทำไมไม่ทำอย่างนั้นกลับไม่อยากตายรักสุขเลยทุกข์ไอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นก็มีข้อสังเกตเหล่านี้ทำให้ไม่เชื่อล่ะไม่เชื่อท่านพระกุมารกัสปะถึงแม้จะบอกว่าดวงจันทร์ดวงดทิศเห็นอยู่อย่างเนี้ยนะแต่ว่าตัวเองก็ทําการทดลองมาอีกอย่างหนึ่งทําให้ไม่ถึงความลงใจเชื่อ พระชาปยาศีก็เลยงัดข้อต่างๆที่ตัวเองได้ทําการทดสอบเหล่านี้นะมาเป็นข้ออ้างว่าที่ไม่เชื่อเพราะอย่างนี้อย่างนี้นะทําการทดลองมาอย่างนี้มีญาติที่เขาทําไม่ดีมาแล้วเขาป่วยใกล้จะตายเนี่ยไปบอกเขาว่าถ้าไปนรกจริงให้กลับมาบอกหน่อยแต่ก็ไม่มีใครกลับมาบอกเลยเนะพราะท่านพระกุมารกัสปะได้ฟังข้อความนี้ณนะที่ท่านพระเจ้า ป, าปยาสีไปทําการทดสอบเพื่อที่จะรู้ว่าโลกอื่นเป็นยังไงยังไงอย่างนีนะ้ในการที่ รอให้ญาติที่ไปนรกแล้วกลับมาเนี่ยท่านปักกูมารกัศป่า ท, ที่มีความสามารถในการแสดงธรรมอันวิจิตรได้เนี่ยท่านก็เลยยกตัวอย่างในการแก้กความเห็นก่อนท่านพระเจ้าปญญายาสีตรงนี้โดยเปรียบเหมือนกับถ้ามีโจรที่ประพฤติผิดมาโจรที่ประพฤติผิดอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีการลงโทษถ้าสมมุติว่าโทษของเขาคือโทษประหารโทษประหารในสมัยนั้นคนที่โดนได้รับการลงโทษชนิดนี้ก็จะต้องถูกจับไปประจานทั่วเมืองก่อน โดยเอามือไผ่หลังมัดให้แน่นโกนหัว อ, ออกเนะี่ยตีกลองให้เสียงดังไปทุกสี่แยกเนะี่ยจับมันประจานก่อนแล้วก็มาตั้งหน้าเครื่องประหารเนี่ยเป็นะปลักษณะของกีโยตินนี่แหละนะหรือว่าเป็นคนที่อาจะเอามีดตัดคอลักษณะใดลักษณะหนึ่งหลังนะจากมาอยู่หน้าเครื่องประหารแล้วต่านักโทษเนี่ยเขาขอร้องต่อเจ้าพนัก ง, งานที่จะสับกีโยตินลงมาหรือเจ้าพนัก ง, งานที่เขากําลังจะเอามีดบันคอเนี่ยนะขอร้องอ้อนวอนบอกว่า ขอให้ไปบอกญาติที่หมู่บ้านนู้นก่อนขอให้ไปแจ้งญาติมิตรก่อนท่านพระกุ ม, มารากสปะถามพระเจ้าปยาสีว่าเจ้าพนักงานที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะอนุญาตให้นักโทษประหารคนนี้ลกลับไปบ้านของตัวเองเพื่อจะไปบอกญาติมิตรอย่างนั้นหรือพระเจ้าปยาสีก็ตอบได้เองเลยตามฟังแต่ว่าอ๋อมันจะไปเป็นอย่างนั้นได้ไงแญญต่เจ้าพนักงานได้รับคําสั่งแล้วว่าคนนี้ได้รับโทษประหารชีวิตนจับประจานทั่วเมืองแล้ว มาถึงจุดที่จะสับกิโยตินลงมานะใช้เครื่องประหารลงมาเนี่ยต่อให้อ้อนวอนอย่างนั้นก็ประหารทั้งที่อ่อนวอนนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เจ้าพนัก ง, งานผู้ประหารจะทําอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่ประชจ้าปัญญาสีตอบแต่ถ้าผู้ฟังลองคิดดูนะขณาดโจรที่ได้รับโทษประหารอ้อนวอนขอร้องนะให้ขอไปปล่อยไปบอกญาติซะหน่อยหนึ่งนะบอกแค่นั้นเองแล้วจะกลับมารับโทษต่อแนะเจ้าพนัก ง, งานยังไม่ให้เลยเจ้าพนัก ง, งานที่จะประหารนั่นก็เป็นมนุษย์นักโทษนั่นก็เป็นมนุษย์ แต่สัตว์นรกที่อยู่ในนรกนี่ไม่ใช่มนุษย์นะเป็นสัตว์นรกคนที่ทําหน้าที่ลงโทษก็ไม่ใช่มนุษย์นะเป็นนายนิริยาบาลคนที่ตกนรกไปแล้วเนี่ยจะขอ น, นายนิริยาบาลให้กลับมาบอกญาติสัหน่อยว่า น, นรกมันเป็นอย่างนี้นายนิริยบาลเน่ยเขไม่ให้หรอกจำไว้าาฟังนะซาตจะต้องเข้าถึงตามกรรมปราะเหณีนี้แหละจึงขอให้ท่านพระเจ้าปยาสิเนี่ยมาทําความเชื่อซะลงใจซะนะว่าโลกหน้ามีบาบมีบุญมีผลของสิ่งที่ทําดีทําชั่วมี แต่ท่านพระเจ้าปยาสิยังไม่เชื่อท่านฟังแต่เพราะว่าตัวเองก็ได้ทําการทดลองอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามีญาติที่เขาได้ทดําดีใช่ไหมตายไปแล้วเนี่ยเขาน่าจะไปขึ้นสวรรค์แต่ก็ไม่มีญาติเหล่านั้นกลับมาบอกท่านพระกุมารกสษ ะ, ะก็ยกตัวอย่างให้ฟังเนื้อเรียอเหมือนกับคนที่ตกบ่ออุจจระนาะบอกพูดสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่ใช่ส้วมเสริมอย่างที่เรามีในสมัยปัจจุบันอย่างดีเขาก็จะมีหลุมที่ขุดลงไปเอาไม้พาดไว้สองอันแล้วก็อุจระลงไปในระหว่างไม้ตรงนี้ใช่ไหม หลุมนี่เขาก็เรียกว่าหลุมคูดคือหลุมอุจจาระนะปรากฏว่ามีคนตกลงไปในบ่ออุจจาระนี้แต่มนจนมิดสีสระเลยนะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งโผล่ออกมานะแต่ว่าก็มีคนช่วยออกมาได้ช่วยออกมาแล้วโอ้โหจำฟังลองคิดดูนะตัวเนี่ยเปื้อนด้วยอุจจาระไปหมดเลยนะนะเจ้าพนัก ง, งานเขาก็ช่วยโดยการเอาไม้ไผ่เนี่ยขูดขี้ออกให้หมดนะขูดออกให้หมดจากตัวแล้วก็เอาดินเนี่ยสีเหลืองเนี่ยทาตัวสามรอบขูดดินออก เอาดินสีทั้งทาตัวอีกสารอบกูดินออกนะเพื่อให้เศษอะไรต่างๆมันหลุดออกมันหลุดออกแล้วมันก็ยังมีเศษเล็กๆน้อย ๆ, ๆที่อยู่ตามซอกอะไรต่างๆแเราก็เอาน้ํามันฉโลมเอาจุนผงละเอียดทานะแล้วก็ลูปออกน้ํามันทาเอาจุนผงเอียด์รูปเข้าไปนะทำอย่างนี้สามรอบนะเศษอะไรต่างๆมันก็หลุดออกหมดอาบน้ําอย่างดีนะแต่งผมแต่งหนวดให้ดีนะรูปไร้รูปทาเครื่องหอมเรียบร้อย นวเสื้อผ้าสวยๆดีๆใส่ให้นําประดับด้วยมงกุฎดอกไม้ของมีค่าต่างๆแล้วก็ยกขึ้นสู่ประสาทชั้นเจ็ดนะมีดนตรีมีอาหารนร่งต่างให้กินอย่างเรียบร้อยเลิศหรูอลังการนลักษณะคนที่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยออกจากหลุมคูดมาอย่างนี้แล้วเนับยยังจะต้องการกลับไปอยู่ในหลุมคูดอีกอย่างนั้นหรือนี่เป็นสิ่งที่ท่านพระกุมารกษตรปะถามท่านพระเจ้าปยาสีพระเจ้าปยสีก็ตอบว่าไม่มีทางเลย แตที่คนที่เขาออกมาจากหลุมคูดแล้วขัดตัวอาบน้ําแต่งตัวอะไต่างเรียบร้อยดีแล้วมีความสุขต่างๆแล้วจะกลับไปหลุมคูดเองเนี่ยเขาไม่มีทางอยากจะกลับไปอีกแน่นอนอันนี้เป็นอุปมาอุปไม้ที่ท่านพระกุ ม, มารกัสปะยกขึ้นเพื่อที่จะเปรียบเทียมให้ฟังว่าเหมือนกันแหละคนที่ไปสู่สวรรค์แล้วเนี่ยทำความดีในโลกนี้นป่วยตายไป่ผลของกรรมดีได้ทําให้ตัวเองไปสู่สวรรค์แล้วกลิ่นของมนุษย์เนี่ยสำหรับพวกเทโอดาเนี่ย โอนเป็นเหมือนกับของเน่าเนะี่เป็นของที่แบบไม่สะอาดเป็นของเน่าเป็นของปฏิกูลสําหรับพวกเทวดาแม้อยู่ไกลตั้งรอยยอดอยู่ไกล้กันรอยยอดพวกเทวดานั้นก็ยังรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นของปฏิกูลนะยกเว้นพวกเทวดาที่มีความทุกข์เนี่ยเขาจะมาที่โลก ม, มนุษย์นี้อาจจะเป็นไปได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่มากันก็เป็นลักษณะดเดียวกันที่เปรียบเทียบไม่ฟังว่าญาติที่เขาตายไปเนี่ยที่เขาไม่ได้กลับมาบอก ทั้งที่เขาไม่ได้ส่งทูตมาบอกด้วยเนี่ยก็เพราะว่ากลิ่นของมนุษย์นั้นมันเป็นเหมือนกับของปฏิกูลสําหรับพวกเทวดาแม้อยู่ไกลต้องรอยยดโยต์ก็เลยไม่กลับมาบอกตรงนี้จะเป็นเหตุผลที่ขอให้ท่านพระชจ้าปิยสีเนี่ยเลิกความเห็นที่ผิดนั้นเสียให้เห็นได้ถูกต้องวาชาติหน้ามีบารมีบุญมีพระชจ้าปิยสีก็ยังไม่ลงใจได้เมื่อวังเพราะว่าตัวเองนั้นก็ได้ทําการทดลองอย่างที่ว่าไปแต่โดยพูดถึงญาติของตัวเองที่ทําปฏิบัติเรื่องของศีลห้าอย่างดี ที่ว่าจะต้องได้ไปอยู่ร่วมกับเทวดาในชั้นดาวดึงแต่ก็ไม่มีใครกลับมาบอกเลยในข้อนี้ท่านพระกุมรการกัสปะก็ได้แก้ด้วยการที่พูดถึงว่าหนึ่งรปีของมนุษย์เนี่ยเป็นหนึ่งวันหนึ่งคืนในชั้นดาวดึงสามสราตรีก็เป็น1เดือน12เดือนก็เป็นหนึ่งปีทิพย์หนึ่งพันปีทิพย์เนี่ยเป็นอายุ ข, ของเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงแต่ว่ามิสหายหรือ ญ, ญาติของพระเจ้าพญาศีที่รักษาสีหน้าอย่างดีนั้นตายไปแล้ว ไปอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงแล้วเนี่ยเขาอาจจะดูให้มันทั่วสักสวันสราตรีหรือ3าวันสราตรีแล้วเราค่อยจะกลับไปบอกรายละเอียดต่างๆให้พระเจ้าปยาสีทราบเนี่ยถ้ากลับมาจริง2อวันสราตรี3วันสราตรีเนี่ยมันก็กลายเป็น200300ปีนั่นไปแล้วกลับมาจริงๆพระเจ้าปยาสีก็ไม่อยู่แล้วนะตายไปถึงไหนแล้วจะไปเจอได้ไงนั่นแะหละจึงเป็นเหตุที่ทําให้พระเจ้าปยาสียังไม่ได้รับคําตอบ ก็ยังไม่เช so ื่อแหละตะโมฟังเพราะว่าเรื่องพวกนี้ตัวเองก็ไม่เห็นไม่ดูพิสูจน์ไม่ได้ใครจะเป็นคนบอกเราว่าเทวดาชั้นดาวดึงหนึ่งวันหนึ่งคืนของเขาเท่ากับร้อปีของโลกมนุษย์ไม่จริงไม่ใช่หรอกนไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่เชื่อไม่ลงใจท่านพระกุมารกษะสบาก็ยกตัวอย่างถึงคนตาบอดตะโมฟังแล้วคนตาบอดแต่กําเนิดสีดําสีเขียวสีแดงสีเหลืองต่างๆก็มองไม่เห็นพื้นที่จะสูงจะต่ำก็มองไม่เห็นดวงจันทร์ดวงที่ก็มองไม่เห็น นีพระมองไม่เห็นอย่างนี้แล้วจะบอกว่าสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำพวกนี้ไม่มีเนีพื้นที่ตามพื้นที่สูงไม่มีดวงจันทร์ดวงทิศไม่มีแต่วเขาพูดอย่างเงี้ยคนตาบอดพูดอย่างเงี้ยถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าเนะพระกุมารกษัตริยถามท่าน hacerlo, พระเจ้าไบายาสีพระเจ้าไบายาสีก็บอกว่าคนที่ไม่รู้ว่ามีจะบอกว่าสิ่งนั้นไม่มีมันไม่ได้เน่ถ้าจะพูดได้ให้ถูกก็คือว่าข้าพระเจ้าไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมีแต่ที่คนตาบอดนี่จะพูดได้ถูกได้ ต้องพูดอย่างนี้ท่านพระกุมารกัณสปะ ก, ก็ใช้ตรงนี้แหละบอกว่าโลกคือสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยจะไม่ได้เห็นด้วยจักสุขของสามัญมนุษย์ไม่ได้แต่แต่เพราะว่าสมา ห, หรือพราหมณ์พวกที่อาศัยเสนาสนะอันสงัดป ร, ราโรคความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่เนี่ยทาจิให้เป็นสมาธิแล้วนะชําระที่พยาจักสุให้บริสุทธิ์หมดจดจึงนะจึงจะสามารถเห็นได้เห็นได้ว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงี่เขาอยู่กันอย่างนี้ มีอายุเท่านี้มีความสุขแบบนี้นาตายไปแล้วไปที่ไหนที่ไหนอันนี้ต้องใช้ตาทิพย์แต่ถ้าคนไม่มีตาทิพย์เมาไม่เห็นเราจะบอกว่าสิ่งนั้นไม่มีเนี่ยมันไม่ได้พูดได้ดีที่สุดก็คือว่าข้าพเจ้าไม่รู้ไม่เห็นว่ามันมีขอให้เชื่อเถอะบาโลกหน้ามีนบาปมีบุญมีขอให้เชื่ออย่างนั้นพระชาไปรษีก็ยังไม่เชื่อแหละตะบูฟังเออถ้าอย่างนั้นทําไมพวกพระ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่พากันฆ่าตัวตายโดดเหวกินยาตายหรือเอามีดชำแหะตัวเองหรือว่าปลูกคอตายไปล่ะรู้ว่าตายไปแล้วจะได้ไปดีทําไมไม่ทําอย่างนั้นเพราะตัวเองก็สังเกตมาอย่างนี้นะนี่เป็นการทดลองข้อที่4ของท่านพระเจ้าปัญาสี่ท่านพระกุมารกสับยกตัวอย่างให้ฟังท่านฟังอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ถ้าข้าพเจ้าถูกถามมีก็ไม่รู้จะตอบอยังไงกันนะถ้าคนบันดืกระน้านี้เนี่ยก็คงจะต้องอุเบกขาไปแต่ท่านพระกุมารกสับนั้นมีปัญญามากแต่ท่านเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้ท่าน บอว่าเหมือนกับพราหมณ์คนหนึ่งแลนะมีเมียอยู่สองคนพราหมณ์คนนี้มีนางพราหมณีในที่เป็นเมียเป็นภรรยาเนี่ยอยู่สองคนแต่ภรรยาคนแรกนะมีลูกชายเนะ่ยคลอ ด, ดูออกมาละลูกชายคนนี้ก็อยู่ในวัยรุ่นภรรยาคนที่สองแล้วก็กํำลังตั้งครรภ์แก่ปรากฏว่าพราหมณ์ผู้ที่เป็นสามีตายไปแตนะ่พราหมณ์ผู้ที่เป็นสามีตายไปแล้วแลนะโดยธรรมเนียมของชาวอินเดียในสมัยนั้น นะืทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆทั้งหมดจะต้องตกอยู่ที่ลูกชายนะในที่นั้นลูกที่เป็นวัยรุ่นแต่ของภรรยาคนแรกเนี่ยก็มาบอกกับแม่เลี้ยงเนะี่ยคือภรรยาคนที่สองบอกว่าทรัพเข้าเปลือกเงินทองทั้งหมดเป็นของฉันไนดะ้แม่นะแม่ไม่มีสิทธิ์อะไรในทรัพย์เหล่านั้นเพราะเป็นทรัพย์ของบิดาฉันแม่จงมอบมรดกให้แก่ฉันเถิดนะพูดอย่างนี้กับแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงที่กําลังตั้งครรภ์แก่อยู่นะื้ก็เลยบอกกับลูกเลี้ยง แลลูกของภรรยายคนแรกเนี่ยแหะบอกว่าพ่อจงรอ ก, ก่อนเถิด ก, กว่าแม่จะคลอดนะถ้าทารกในท้องของแม่เป็นชายก็จะมีสิทธิ์ได้ส่วนหนึ่งถ้าเป็นหญิงก็จะเป็นคนรับใช้ของเจ้าแล้ว ก, ก็ตกลงกันไว้อย่างนี้วันต่อมาลูกของภรรยายคนแรก ก, ก็มาบอกกับแม่เลี้ยงเหมือนอย่างเดิมอีกบัตรซย์เป็นของฉันนะแม่แม่เลี้ยงนั้นคือภรรยายคนที่สองก็พูดเหมือนเดิมอีกเอาล็อให้คลอดก่อนสิดูว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายถ้าเป็นชายก็จะแบ่งกัน ถ้าเป็นหญิงนี่ก็จะไม่เอาอะไรล่ะณวันที่สามมากรบพูดอีกตั้งบูฟังลูกก็ไปพูดกับแม่เลี้ยงอีกเหมือนเดิมทรัพย์สิน ส, สมบัติทั้งหมดต้องเป็นของฉันนะแม่นะแม่ก็เริ่มหงุดหงิดแล้วตั้งบูฟังเอ้ทําไมมันบอกไม่รู้เรื่องฮนะก็เลยคว้ามีดน้อยเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งแล้วก็เดินเข้าห้องไปคว้ามีดเล็กเล่มหนึ่งเดินเข้าห้องไปแล้วก็เลยแวะท้องของตัวเองออกดูตามฟังแวะท้องออกดูเพื่อว่าข้างในท้องในคันของฉันเนี่ย มันเป็นลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงกันแน่เนี่ยมันจะได้ตอบให้มันรู้เรื่องไปเลยว่านี่นะถ้าเป็นลูกผู้ชายก็ได้แบ่งกันครึ่งหนึ่งนะแต่เป็นลูกผู้หญิงก็จบไปแม่เลี้ยงคือนางปรามณีคนที่สองที่ตั้งกันอยู่เนี่เอามีดน้อยชำระท้องตัวเองเพื่อที่จะดูว่าลูกในการเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็เท่ากับ ว, ว่าทําลายคันของตัวเองแนี่ยทำลายทารกในคันด้วยทําลายทั้งมรดกด้วยเพราะความที่แม่เลี้ยงนี้ไม่ฉลาดเน่ยเป็นคนกล่าวแสงหาซ้ําโดยไม่แ ย, ยบขายตรงนี้ท่านพระกุมารกัสปาก ใส่ท่านพระชาบายาสิเลยทานฟังบอกว่าประชาบายาสิเนี่ยเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนข่าวเหมือนกับ น, นางพระมณีนี่แหละจะต้องย่อยยับเหมือนกันนี่พูดถึงกระดานี้เปรียบเทียบกับว่าสมณะที่ปฏิบัติดีเป็นบัณชอบเนี่ยเป็นบัณฑิตจะไม่จริงสุขก่อนหามคือท่านนางพระมณีแทนที่จะเอาไม้จำแหลท้องตัวเองเพื่อจะจุดดูว่าลูกในคันนั้นเป็นชายหรือเป็นหญิงแล้วก็รอเวลาที่ให้ลูกนั้นออกมาตามกําหนดเวลาเออดูว่าเป็นชายหรือเป็นหญิง แต่เป็นชายก็บแบง่งทรัพย์คนละครึ่งแต่เป็นหญิงก็ไม่เอาอะไรนะตามธรรมเนียมประเพณีในสมัยนั้นมันก็จบไปนะั่กเรียกว่าไม่ชิงสุกก่อนห้ามแต่ น, นี่ดันไปชิงสุกก่อนห้ามนั่นะก็เลยย่อยยับสแสวงหาทรัพย์โดยไม่แยกขายเหมือนการที่พระชจ้าประยศศรีนั้นจะต้องย่อยยับเพราะว่าถ้าสแสวงหาโลกอื่นโดยไม่แยกขายคนที่เป็นบัณฑิตมีปัญญา เ, เขาจะรู้เวลาที่เหมาะสมแตนะยังดํารงชีวิตอยู่ในโลกนี้ยาวนานเพียงใดเนี่ย ก็จะประสบสิ่งที่เป็นบุญเปน็นนันมากเพราะว่าการที่ตัวเองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นจะเป็นการที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเปนนันมากและเป็นความสุขของทั้งเทวดาและมนุษย์ก็จะไม่ชิงสุขก่อนหนะ้จะไม่ฆ่าตัวตายเอาเชือกผูกคอหรือว่ากระโดดเหวตายกินยาตายพวกนี้จะไม่ทําเพราะมันยังไม่สุกเพราะความเป็นอยู่นั้นก็จะเป็นบุญของคนที่อยู่บนโลกด้วยและพอตายไปก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ด้วยแต่ผู้ฟังคิดว่าพระเจ้า บ, บา ย, ยาสี ถูกท่านพระกุมารกัสปะว่าว่าเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนเก่าเนี่ยจะต้องย่อยยับเหมือนนางปราโมนีถูกว่าขณะนี้แล้วเชื่อหรือเปล่าแต่ท่านพระชจ้าปัญญสีถูกเตือนหนักขนาดนี้แล้วก็ยังไม่เชื่อท่านผู้ฟังยังไม่ลงใจยังมีความเครือบแคลงยังมีความเห็นแยง้งนี่คือลักษณะของวิจิกิจฉานะเป็นความเครือบแคลงเป็นความเห็นแยง้งเขาอุชาบอกวความเป็นที่ถูกต้องแล้วแต่ก็เห็นแยง้งเขาบอกว่าสิ่งที่ถูกเป็นยังไงแต่เขายังเคลือบแคลง แต่ความเคลือบแคลงความเห็นแย้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่ตัวเองยังไม่รู้ได้เองยังไม่เห็นได้เองในวิธีการที่ท่านพระเจ้าไบยาสีนําพอไปถามคนนั้นคนนี้สังเกตดูไม่ได้เรื่องละแต่ทดลองไม่ได้ความนต่ไม่ได้รับคําตอบที่ตัวเองต้องการยังไม่ถึงความลงใจความเชื่อใจวิธีการที่พระเจ้าไบยาสีนั้นได้เคยทําการทดลองคือการที่พยายามจะหาสิ่งที่จะไปเกิดแต่ถ้าโลกหน้ามีจริงมันต้องมีอะไรที่ไปจากโลกเนี้มันต้องมีอะไรที่ไปจากที่นี่มันต้องมีอะไรที่ไปจากกายนี้ วิธีการทดลองของพระชาปยาศีนั้นก็คือเอาโจรที่ได้รับการลงโทษมาน่นะคือโจรคนนี้นั่นทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วน่นจะต้องตายละ่ะแทนที่จะเอามาตายเฉยๆก็มาทําการทดลองซะก่อนนะโดยเอาโจรที่มีชีวิตเนี่ยใส่ลงไปในหม้อนั่นะคือพยายามที่จะหาว่าถ้าไปมีโลกหน้าจริงเนี่ยมันต้องมีอะไรไปจากโลกนี้แต่ไม่ต้องมีชีวิตไปหรือวิ ญ, ญญาณลอยไปหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไปแต่นะพยายามที่จะหาตรงนั้นโดยเอาโจรที่มีชีวิตเนี่ยใส่ลงไปในหม้อใบหนึ่ง เรามาติดตามเรื่องราวการทดลองของพระเจ้าปายาสิในเรื่องของการตามหาว่าชีวิตหรือจิตหรือวิญ ญ, ญาณที่มันจะล่องลอยจากนี่ไปที่นู่นเรามาติดตามเรื่องราวของการตอบปัญหาอย่างชาญฉลาดของท่านพระกุมารกัศปะกันต่อนในวันพรุ่งนี้ตระมัวังวันนี้เวลาหมดแล้วหมดจริงๆเลยข้าพเจ้าพร ะ, พระมหาภัยบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลเนพ